ยี่สิบห้าจงใจรู้สึกตัวจะเหนื่อยการทำความรู้สึกตัวถ้ายังไม่ชำนาญจะเกิดความจงใจจะรู้สึกตัวจงใจจะรู้สึกตัวจะเหนื่อยฉะนั้นหัดใหม่ๆหลายคนฝึกปฏิบัติใหม่ๆจะรู้สึกเหนื่อยเผลอๆไปแล้วสบายกว่ารู้สึกตัวแล้วเหนื่อยหัดใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้